นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมะตัมบุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมะตัมบุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมะตัมบุตตะสิลสมาธิปัญญาสัมปันโนอิทิปิโสภะวะอิมัตสะทามะ ปริยายัติสัทวะทศาายัคสมันติสกัจจังธโมโตตัปโบตีขอนอบน้อมแด่พระผู้ม <c oughs> oh ีพระภาคอรหันตธรรมมาธรรมพุทธเจ้าพระองค์นั um ้น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 สีนนั้นเป็นข้อห้ามตั้งแต่สีนห้าสินแปดสินสองรอยสินสิบสอง 2, สองรอยยี่สิบเ จ, บจดล้วนจะเป็นข้อห้ามเพราะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินในควังแล้วก็จงพยายามตั้งอบตั้งใจนั่งสบายๆปล่อยมือธรรมดาๆรรเรียกว่ามาต้องพันนมตลอดไปการฟังเราใช้ สติเอาจิตใจของเราจดโจ่อจับจ้องเอาสติของเรานี้เหมือนหลังคาเอาเสียงที่เทศนาเหมือนสายฝนเอาสองหูของเราเหมือนรางน้ําเอาจิตใจของเรามันโอ่องตั้งไว้โจวไว้เมื่อเสียงผ่านไปสติก็จับเอได้ ก็จะไหลลงสู่หูหูก็จะส่งไปสู่จิตแต่ จ, จิตของเราตั้งมั่นไม่เอ็นเอียงไม่ตะแคงน้ำตกมาตะระหยุดไม่ช้าก็เต็มโอค์ฉันใดการฟังเทศฟังธ ร, รรมก็เหมือนกับการที่เราได้มาสัมผัสเรื่องราวเก่าๆแต่เอามาเล่าใหม่ เรื่องราวทั้งหลายที่พระ น, นำมอามาเทศ์มาสอนกับญาบโยนตลอดเวลายาวนานเป็นไม่ใช่ของใหม่ของเก่าสองพัน่าปีมาแล้วที่พระธรรมาพุทธเจ้าองค์ตรงตัดตะรู้แล้วได้นำมาเผยแผ่เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่มนุษยชาติที่จะสกัดขั้นความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจรทั้งหลายที่เราต้องลำบากบนทนทุกข์กทุกวันนี้บัด น, นี้เราทั้งหลายมาถึงภูมนุษย์แล้ว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 เราจะได้เห็นความจริงที่ว่าพระเจ้าบอกชาติเป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ไหมทุกตั้งแต่อยู่ในพ้องพ่อท้องแม่เรื่อยําดับมาจนกระทั่งออกมาจากคันวันด า, าเมื่อครบกําหนดโทษสมาธิหรือสิบเดือนเก้าเดือนก็จะคลอดออกพอออกมาข้างนอกก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกมันกระทบดินผ้าอากาศและความอแข็งกระด้างของ สิ่งกระทบสัมผัสเหล่านี้เมื่อเราเข้ามากระทบสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ถึงพูดไม่ได้แต่อาการแสดงออกนแดงถึงความทุกข์เมื่อเราเมื่อเมื่อเมื่อพอได้สติขึ้นมาได้รับความเจ็บปวดรลดแล้วจากการสัมผัสกับโลกภายนอกสิ่งแรกที่เกิดที่แรกที่เราจะเห็นได้ก็ ทารกนั้นถึงพูดไม่เป็นแต่ก็แสดงถึงความทุกข์มาให้เห็นอืมไม่มีใครเกิดมาแล้วูลาะราดพอได้สติแล้วโหร้อ ไ, ไม่มีเพ่จะร้องไห้เกิดก็ร้องไห้อืมพอเราพอเราสัมผัสกับสิ่งที่ัมัสเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็แสดงอาการทุกข์ก็ด้วยการร้องอืพอร้องขึ้นมาเราก็จะเห็น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 นําหวากตามไปด้วยถึงกระทั่งถึงวัยเรียนถึงวัยที่จะให้ความรู้เราต้องเลี้ยงดูสารพัดต้องให้การศึกษาและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่สุขเลยแต่ในขนาะเดียวที่เรามีทุกข์นี่แหละมันจะมีสุขจากความสมหวังเล็กน้อยๆพอบรรเทาเบ า, เบาความเครียดทางอารมณ์ได้ว่าง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 แก่อพอเราแก้ทุกดับไปแล้วก็จะเห็นว่ามีความสบายขึ้นเล็กน้อยแต่ความสบายในโลกิยะสุขต่างนี้ไม่ใช่ของจิรั ง, ย, งยั่งยืนไม่ช้าไม่นานมันก็แปรผันไปอีกเียเราก็พยายามทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆนี้ให้ให้ให้ให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งลึกซึ้งดวงจิตดวงใจจริงๆแล้วเราจะไม่ละเมอเพ้อบ่นเลย ปฐุมเมื่อวัยเราก็ทุกอย่างหนึง่งมัดชิมวัยแล้วก็ทุกขึ้นมาเพิ่มนอีกอย่างหนึง่งสู่ปัจฉิมเมื่อวัยก็ทุกอีกอย่างหนึง่งเมื่อชราเข้ามาถึงก็เรียกว่าชราปิชราติปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์ถ้าคนไม่เคยแก่ยังไม่เห็นทุกข์เราก็สวดไปเถอะเสวดไปตามที่เขาบอกทำวัดเชา้าชราปิทุกขา ความแก่เป็นทุกข์ประนําไปทุกครั้งความตายเป็นทุกข์ถึงคนตายไม่ทุกข์แต่คนอยู่เบื้องห่างก็ทุกข์มากจากความพัดภาคจากสิ่งที่เรารักต่างๆนี้ดงั้นความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มีมันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยไหนมาพุทธเจ้าให้เราทําความรู้จักคุ้นเคยและไม่ไม่พยายามละเมอเพื่อปน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 อยู่ในเวลาอิ่มก็มันก็มันก็เป็นสุขอย่างหนึ่งเวลาหิวมันก็สามารถทําให้รู้เห็นความเป็นจริงต่างๆของของชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจถ้าเราทนไม่ได้กับความหิวมันมีการติธรรมไม่มีญาติธรรมไม่มีเมตตาธรรมไม่ ม, ม, รร ม, ม, มีฮิลิโอตะปาความหิวอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราพิบัติแปลผันทำอะผิดศิลผิดธรรมได้ อันนี้แหละมองให้มันเหตุเห็นเหตุของความเป็นจริงในชีวิตที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกตร์ให้รู้และเข้าใจแล้วก็เราก็หลีกหลกีหลีกนี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าทรงตัดรู้แล้วเหล่านี้สิ่งที่พระองค์นามาเผยแผ่มากที่สุดนั้นก็คือเพื่อเอามาระงับยับยัง้งความโลภความโกรธความหลงของมนุษย์ โลกโกรธหลงนี่ยมันเป็นพื้นฐานของกิเลสที่มันติดมานก็จิตวิญญาณของเราเป็นโลกชนิดหนึ่งที่มันติดมากับจิตวิญญาณถ้าโลกนี้ยังไม่ไม่หายไปจากจิตของเราแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องกําเริบเถลิงมาตจนได้โลคฟังโลกโลกไม่สมหวังเกิดโกรธโกรธไม่โกรธึ้นแล้วก็เกิดทิฐิเกิดมานะนี่ตานี้เกิดทิฏฐิมานั่ ขึ้นมาแล้วโลคโกดหลงไอ้ตัวหลงมันเหมือนกับพัดตัวโลคมันก็เหมือนกับไฟไตัวอโกดก็เหมือนกับไฟเสร็จแล้วไอ้ตัวพัดพัดให้ไฟลุกท่วมขึ้นมาลุกล้ว ด, วดเร็วลุกจนไม่อาจจะดับลงได้ก็คือตัวหลงตัวนี้เป็นตัวโมหะเรียกว่าพัดกระพือ ให้ความโกรดนี่ตุนแหลงขึ้นจนยากแก่การยับยัง้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทิฐิตามมามณะทิฏฐิมานะานะความถือตัวถือตนชักจะไม่ไม่ยอมกันละอีกต์นเนี้ยมานะตันหาความทะเยอทยานขันแข่งตามมาอีกและอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นที่เราไม่เกิดปดป่วย ละวางอะไรได้เลยถึงเหล่านี้ทำให้มนุษย์เราอยู่กันไม่เป็นสุขเพราะอกแว้งทุบเถียงกันฆ่ากันปาดพหารกันกบเคาะเราไม่ไม่สามารถระงับยับยัง้งใอ้ความโลภความโกรธความหลงได้ทำทั้งหมด4ี่หมืนแปดพันว่ามาการพระทุกข์เจ้าตรัรู้แล้ว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 แยกแยะสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วเรา ด, ด ำ, ร ง, ดำรงชีวิตด้วยเหตุผลไม่เอาอารมณ์มาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ใช้ไม่ได้รู้พอเราจิตรรับอารมณ์เราก็รู้อารมณ์เรารับมาน่ะมันเป็นถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเราก็พยายามกำจัดทำใจของเราถ้าอยากหนะที่จิตเช้าหมองคุณหมดอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าทำอะไรพอทำไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะ อ่ามันจะผิดพลาดสิ่งที่เราควรจะตระหนักให้ดีก็คือพุทธเจ้าท่านสอนมาสองพันกว่าปีแล้วไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อทําต่างๆที่เป็นพุทธภาติให้เราได้นำเอาไปนุทติเตือนใจเราเสมอเสมอใครเคยก็เคยขอบใจคนโกรธไหม ไอ้คนคนด่าไหมคนเขาด่าล้วเนี่ยเขามาช่วยขัดใจเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราจะให้เชีย่ยเห็นว่าจะเชีย้ยอาจารย์จะเชีย้ยเห็นว่าคนด่าเขามีบุญคุณต่อเรามากมายเสี่ยงเสี่ยงมาขัดใจเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องจ้างไม่ต้องวานพวกนี้เขาอิจฉาเราเขาด่าเราเขา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 มันก็มีปฏิกิยาบ้างแหละเวลาเขาขัดเจ็บบ้างอะไรบ้างนิดน่อยๆยประทนเอาสองสารเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เฉยเฉยโดยต้องสงสารเข า, าด้วยโอ้คนนี้น่าสงสารจริงนะเสี่ออยงจริงๆนะการขัดใจคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ไผลตอบแทนเป็นอย่างไรขัดบ้านขัดช่องไปรับจ้างเขายังได้เงินได้ทองขัดใจนี่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาอาจจะได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาะ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 เพมีแต่ความขุนข้องหมองมัวอึดอัดขัดเคืองหุดหงิดมุ่งงานจนทนไม่ไหวต้องทลั ก, กออกมาทางวาจามาใส่หูเราทั้งเมื่อเราไม่โกรธเขาเรารักเขาด้วยเมตตามโนโกรรมเกิดขึ้นในใจเราโอคนนี้น่าสงสารจริงเนาะเขาไม่ได้ไ ด, ได้ได้รางวัลได้เงินอะไรจากเราเราก็ไม่ได้จ้างเขาอุตส่าห์มาช่วยขัดใจเราเนี่ยทนายไม่เห็นคุณเขาละ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 พอพอเราไม่โกรธเขาเรา ม, มีเมตตาต่อเขาตลอดเวลาอทีนี้คนเรามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาดา่าเช้ดาด่าเย็นเราไม่เห็นเขาก็แทกเปรี้ยงฟางหันไปเขาก็ทําฝากจับจับบงังไกลๆหน่อยเราก็สังเกต ด, ดูเขาก็เกลียดเราเก็ด่าเรานั่นแหละอืมมถ้าใกล้ๆเขาก็โผด่าให้ได้ยินใส่หูเราอืม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 คิดว่าเราคงคิดบัญชีเขาแน่วันเนี้ยเจอกันตัวต่อตั ว, ตวแบบนี้เพราะด่ามานานแล้วแต่เปล่าเราคิดคนข้างเขาคิดต่างมุมในมุมตรงกันข้าวว่าวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะบอกโยมคนนี้ป้าคนนี้ลุงคนนี้ว่ า, าเราไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่เราไม่ใช่เราพูดอย่างนั้นเราบอกว่าเราไม่ใช่บอกว่าหน้าหน้าป้าป้าลุงลุงผมไม่ได้โกรธลุงลุงหน้าที่ลุงด่าผมอย่พูดอย่างนี้จะไปสะกิดแผกเก่าคนเรามัน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 ลึกสะดุดใจก็จะอาจจะสะดุดปุ๊บเขาจะมองต่ําเล็กๆหนกน้อยๆแล้วเขาก็จะคิดในใจว่าไอเด็กคนนี้ด่ามันมาตั้งไรแต่ไรหน้ายังไม่อยากเห็นมันยังมาทักเราคําทักทายของมันก็ไม่บ่งบอกถึงความเป็นศัตรูมีวาจาที่อ่อนหวานมีกิริยาที่อ่อนโยนในใ น, ในเขาสัมผัสเราคือเราไม่ได้บอกว่าโกรธเราไม่โกรธ แต่เราทักเขาเหมือนกับธรรมดาด้วยเมตตาในใจของเราเขาจะคิดไอเด็กคนนี้หน้าตายังไม่อยากเห็นมันเลยมันอุตส่าห์มาเดี๋ยวเขาก็วว้ใจเราครึ่งแล้ในขณะที่เราทักเขาด้วยความเมตตาวาจาที่อ่อนหวานเนี่ยเขาก็จะถามไอ้หนูทําไมลุงป้าก็ดนนีด่าเองมาตั้งนานเนี่ยทําไมเองไม่โกรธป้าจะโกรธป้าทําไมเล่าอ่ ก็ป้านี่แหละทําให้ผมมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีคันติธรรมสูงขึ้นเออมีเมตตาธรรมสูงขึ้นมีความขยันมันเพียรในการละความโกรธมากขึ้นจนกระทั่งเ อ, อมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็เพราะเยเห็นไหมก็เพราะป้าก็เพราะลุงนี่แหละทําให้ผมทําให้ผมได้มีวันนี้เออมีจิตใ จ, จที่หนักแน่นมั่นคงมีความเมตตา อยู่ในวันนี้ก็เพราะลุงกับป้าช่วยด่าผมนั่นแหละช่วยช่วยกันขัดใจิตใจผมผมจึงมีวันนี้เราเห็นไหมล่ะเขาก็ได้เขาก็ตัวเขาเองก็นึกในใจทันทีโอ้ยเด็กคนนี้แม่เราด่ามันตั้งนานยังเห็นเรามีบุญคุณนี่ก็เขาไม่บุญคุณสิเห็นไหมคนด่ามีบุญคุณนะแมยอย่างเนี้ยเขามีบุญคุณต่อเราคนด่าเนี่ย<ข>เขาก็จะนึก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 หนักแน่นมีเหตุมีผลมเมตตาปาี้อยู่ในดวงจิตเรียกว่ามีเมตตาโนกขรรั้นพูดออกไปจิตต่งให้วาจาผู้เป็นเมตตาวจิกรรมโนก ร, รมกับวจิกรรมเป็นเมตตาตัวเดียวกันส่งไปกระทบหูของผู้ที่มีความดุร้ายความโกรธเครืองก็จะหายคลายเครียดลงทันทีเพราะเราไม่ได้ใส่ความเครียดในคำพูดเหล่านั้นลงไป เราใส่แต่ความเมตตาปานียเยือเกเย็นเขาฟังเขาก็ได้ยินเขาก็เยือเกเย็นเป็นสุขใจเออแม้จะอยากว่าจะคนดุคนร้ายเสื้อสิงก็จริงแล้วช่างสัตว์ร้ายเข้ามาใกล้เราพูดกับมันด้วยเมตตาปานีมันยังไม่ทําร้ายเลยโยมเมตตาตัวนี้ยมันเป็นของใช้ได้ตลอดชีวิตนาโยมนะ แล้วใครใช้ลงไปจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองเป็นทางรัดไปถูงความมั่งมีที่ถูกทางรัดไปถูงความอืสมหวังในชีวิตที่เราตั้งใจไว้รัดไปถูงพันิุพานด้วยเราไปศึกษาธรรมะที่ไหนที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่พูดเกง่งสอนเก่งอะไรเกง่งแต่ถ้าเราไม่นมําออกมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์สอนยังไงก็ตาม พุทธเจ้าสอนพวกเรายัางไรเราตามแท้ทายสามเกลกิเลสหยาบตัวนี้ไม่ไม่เบาท่าไม่บางบาวางกับจิตใจเรายังไม่เชื่อว่ารู้ธรรมะเพราะยังมียังมีเชื้อโลกเกาะติดอยู่จิตวิญญาณเราวันหนึ่งมันต้องทําพิษเราจนได้เธอโลกตราบใดมันยังไม่มันยังไม่หาจิตใจเรายังยังมีโลกยังมีโลกอยู่เนี่ยวันหนึ่งต้องประทุ ข, ขึ้นเช่นความโกรธความโลภความหลง ปะทุขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราต้องเสียภาพพจน์ตัวเองเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของอืแทบจะฆ่ากันตายเมื่อไม่นานวันนี้ก็ว่าทิฏฐิมานะตัณหาบทานของเอคนนั่นแหละที่ไม่รู้ไม่รู้ผิดภัยของกิเลสร้ายต่างๆเหล่านี้ไม่กลัวไม่ขยะขยะไม่มีอะไรน่าจะเพึงกลัวขยะขยงกับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในหัวใจของคนเหล่านายโยมวันหนึ่งมันจะทําลาย ไม่ใช่ทำลายตัวต่อ ต, ตัวทำลายทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งเอตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งประเทศชาติราชนาด้วยถ้าป่วยให้กินเหล่านี้มันไม่รังมงับยับยางหรกไม่เห็นพิษเห็นภัยลงมาแล้วเราเอามาใช้ตรอดเวลาปากแล้วก็ภัยมาแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยพุทธทางธนังชชาไม่เข้าพเจ้าก็ถึงพระเจ้พาพนะที่พึง่งธรรมทามมงสนัชชาไม่เข้าเจ้าก็ถึงวัดธรรมพนะที่พึง่ง สังฆังขนงังกะชากไม่เขา้ากระเจ้าก็ถึงพระสงฆ์วันอาที่พึ่งพุทธธรรมะสังฆะนี้ได้แก่ละพุทธไปเอาผูร้รู้รู้อะไรรู้เหตุรู้ผลรู้แค่เนี้ยพอรู้เหตุรู้เหตุนี้นําำไปถูกความทุกขเบื้องต้นเบื้องตนทำการที่สุดของชีวิตเราอยา่าทํารู้เหตุนี่จะนําไปถูกความสุขความเจริญเบื้องต้นทําการของที่สุดของชีวิตเราทําไม่ต้องลังเลจ่ดีเล็กดีน้อยดีบัสสีบุอยค่อยสะทงไปดีจริงๆก็หลุดพ้น จากกิดเลสเพลิงทุกข์มาได้เองอันนี้สําคัญเอให้เราพยายามพิจารณาให้มันถ้าเราไปจึกตาธรรมะแล้วสิ่งสามสามอย่างนี้ไม่มันทาว า, างอีกสี่อย่างจะตามมาที่อินทะิสมานาตานาวตาอีกส่อย่างเนี่ยเอาโขนใดไม่เกิดจะเกิดขึ้นในในในในนอกหัวข้อที่ปฏิบัติเนี่ย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 เราจะเห็นมไหมล่ะคนคนเหล่าเนี้เขาเขามคุณกับเราหรือเปล่าคนดา่าพระเจ้าคนด่านละวเขามีคุณกับเรานะเ อ, อขอให้เรารับให้เป็นเันแล้วกันเรารับมันเป็นแล้วก็ดา่าต่อก็และการคนนี้ละคุณีพระเจ้าตัดมุตภาพิตไว้ตั้งหลายบทหลายบาทเรื่องของความโกรธโู โ, โทสัทธ ะ, ะ, ะมะลังโลเกนบอกความโกรธเป็นดังสนิมสตราในโลกเห็นไหมสนิมมันเกาะมีดพากระทาขวานเกาะเอา่า อาวุธใดก็ตามเกาะกล้ข อ, ของราเปืนก็ยิงไม่ออกทหารเจ็ดวันต้องเอากล้องแล้ว เ, เ, เอาเอาเอาปืนมาขัดนำกล้องทีหนึ่งปวดเตรียมพร ม, มใช้งานอ่เม็ดพากะท้าขวานถูกสนิมเกาะแล้วมันไม่คมหรอกหัวใจถูกกิเดดเกาะก็มืดมนวอนทการไม่มีปัญญาเจดตอบตัวเอาแต่กำลังบ้างเอาแต่อกุศลตอบตัวด่ามาด่าไปไม่จบหรอกยม เรื่องราวทั้งหลายไม่มีวันจบถ้าคนเราเราเราไม่เราไม่เห็นคุณของคนด่าแล้วมันไม่จบแร้วมันรักษาก็ไม่หายจริงไม่าขาดด้วย<ม>เขาด่ามาคําเราด่าไปคำเขามาห้าคำเราไปคํา ม, มาสิบคำเอาไปเอามามันไม่มาจต่ปากไอ้ตัวนี้ทั้งมือทั้งเท้าทั้งอาวุธตาขนก็ประหัดประหารกันแล้วตัเนี้ช่างเวสร้างกรรมก็ไม่จบจิ้ง อา ก, กูนาชินีโกทางบอกชนะคนโกโรธ ด, ด้วยความไม่โกโรธเนะมั้ยพุทธเจ้าบอกชนะคนโกโรธ ด, ด้วยความไม่โกโรธขณะขัติโกโรธหน้าเขียวหน้าแดงระหว่างนั้นเราอย่าไปโหรไปอะไรจำเดินจิตใจให้สม่ำเสมอเมื่อจิตใจใสม่ำเสอไม่โกรธไม่อะไรเห็นอกเห็นใจสงสารเขาเนี่ยบุคลิกของเรากจะไม่เป็นที่เป็นที่ให้เขาเพิ่มความโกรธเพิ่มความเออ่ คนโกรธมันไม่มีเหตุผลโหเลาะมันก็ว่าเยอะเอะพูดว่ามันก็มันก็หาว่าจะจะทำร้ายมันเพราะฉะนั้นคนโกรธไม่มีเหตุผลเราอย่าไปพูดดีกว่านิ่งเงียบเงียบแล้วสงสารเขาแล้วก็มีโอกาสแล้วค่อยๆแก้เขาหายให้ได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อน ร, ร่วมโลกด้วยกันเห็นไหมอสักโกรธชนาชนินีโกรธทางชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ อีกภาษีหนึ่งพระเจ้าตัดเอาไว้ว่าอะทา่าทงท่าทุนาชินีชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมอืมคนไม่ดีแต่คนไม่ดีชนะกันไม่ได้มึงด่ามากูด่าไปมึงด่าไปกูด่ามาเดียวเถอะไม่มีวันจบง่ายๆไ ม, ม่วันเลิกง่ายๆมันไม่ใช่ปากในที่สุดก็ใช้มือใช้เท้าใช้าตาวุธใช้พวกใช้พร่พอเข้าห้ำหันกันในที่สุดก็ ร่มจมล้มละลายกันไปข้างห น, นึ่งเนี่ยเราต้องการความถูกดับไอ้สามเสือนี่สะัะไอ้ความโลกความโกรธความหลง เ, เอาให้มันได้มันเหลือน้อยๆดีกว่ามันมันมันมีกำลังสูงอยู่ในหัวใจเราถ้าให้มันไม่เหลือเลยยิ่งดีใหญ่มันจะได้ไม่มาทำร้ายเราได้มันไม่มีเชื้อโลกเชื้อไฟกิเลสนี่ เชื้อโรคคดจิตในจิตใจเรานี่มันหาเครื่องมือเครื่องไม่จะมาจับวัดไม่ได้ไมื่เหมือนเครื่องความโรคทางร่างกายโรคทางร่างกายจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่วิเคราะห์พิจารณาไม่นานก็นมีเครื่องมาจับได้ขยายได้เห็นได้เชื้อนั้นเชื้อนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้แต่โรคจิตนี่เชื้อกิเลสที่อยู่ในจิตใจคนนั้นไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่จะมาจ้องเห็นนอกจากกริยาแสดงออกทางวาจาทางกาย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 เนี่ย <N ee> ขอให้เราพยายามทุกคนอย่าได้มองเห็นข้ามไปนะคันไม่รู้ไม่สามกองนี่ไม่เบาบางอยากเข้าใจเรารู้ธรรมะคําสอนพุทธเจ้านะวันหนึ่งจะทําลายเราได้เราก็จะเอาสิ่งเนี้ไปทำลายลูกเหมือนทำลายเมียบงังภรรยาด่าแล้วก็ น, นั่งเฉยๆฟังซะดูสิจะด่าได้นานเท่าไหร่หนัง่งเฉยๆเออมันก็มาขัดใจเราทนได้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 เขาก็จะถามแล้วว่าไอ้หนูทําไมพ่อป้าด่าเองมาหน้ายังไม่อยากเห็นเองยังมาทากาักไปเอ่อจย่างมันนั่นเองเอ่อยังไม่โกรธป้าจะโกรธป้าทําไมเราก็ป้ามีบุญคุณกับผมหน้าที่ด่าผมเนี่ยทําให้ผมไมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงได้ทุกวันนี้ถ้าผมใ้ของผมเมตตาของผมสูงขึ้นจนสามารถไม่โกรธป้าได้จนสามารถที่จะมีความขยันหมั่นเพียรในการละความชั่วได้กับพ่อป้า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 ไม่พูดไม่บ่งบอกถึงความเป็นศัตรูเลยเนี่ยอันนี้โยมไปใช้คนรักเราทั่วเลยแม้จะไปพูดกับผู้หญิงด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความหมดจดทางจิตใจมีเมตมีความรักจริงๆในหัวใจแล้วหลังออกไปทางวาจาพูดกับตติควายตรงเงินข้ามเนีขาก็เห็นใจดีมันติดตามถึงบ้านแต่ไม่ได้ใช้ใปฏิบัติผู้หญิงต้องนะใชใใ้ให้เราใช้เพื่อระงับยับยัง้ง เรื่องเร็วร้ายย้ายมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทําได้ไหมล่ะลองดูสิแล้วโลกเราจะเกิดอันที่ถูกครอบครัวจะอบอุ่นขนทางเส้นเดินรัดไปถูกความสําเร็จในชีวิตของเราอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกระทางลัดที่จะไปออกถนนโน้นถน น, นนนี้นะ่ะมันทางตรงเอถ้าเราเดินตามทางอ้อมก็ไปนานเอด่าไปด่ามาแล้วไม่อาจุติได้ ด, ด้วยดีไม่ดีก่อเวรสร้างกรรมกันไป อาฆาตพยาบาทจองเวีนจองกรรมกันไปมาจบที่เวียน่าวตายเกิดว่าอย่างนี้แหละเจอกันก็ฆ่ากันอีกเจอก็ด่ากันอีกอืมนี่มองให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะรู้เบื่อนหน่ายต่อไปนี้เราไม่เอาใครแล้วออคนนู้นดา่าคนเชื่อฟังแล้วก็สงสารเขาถ้าเขาด่าแล้วก็เช้ายันคาคนนี้ผิดปกติแล้วต้องพยายามออกไปโรงพยาบาลบ้านสมเด็จนี้ได้ไม่งั้นก็จะไม่หาย ช่วยอีกรูปแบบหนึ่งแต่เราวันนี้ก็ได้พูดถึงสีนข้อห้ามการที่ไม่ล่วงสีนเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติต่อสีนให้สีนบริสุทหมดจดนั่นแล้วสีนนี่เองที่พระเจ้าตัดไว้ตรงท้ายวทีเดนะตุกติงยันติอยู่อย่างเป็นสุขสงบทีเดโพธทธสมุทาสีนยังภูกะตมบัติใหมันเกิดขึ้นด้วย สี่เรนนี้พุทธิยันติสิ่งนำไปถูมรรคผลนิพพานเป็นปฏิปทานำไปถูมรรคผลนิพพานด้วยการเราปฏิบัติต่อองค์ศิ่เหล่านี้แหละให้สิ่งบันทึกหมดจดจะไปนั่งสมาธิก็สบายไม่มีนิวรณ์มากบกวนใจไม่มีความผิดในอดีตต่างๆเหล่านี้วไานั่งสมาธิขึ้นมาพอิีจะสงบพับไอ้นิวรณ์คว า, ามผิดพลาดบกพร่องเราจะมาเกิดขึ้นทันทีงนทีแล้วการปฏิบัติธรรมของเราไม่ใช่เอาอดีตมาปฏิบัตินะโยมต้องเอา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 ไม่ประสบผลนุ่มเด็ดจะเกิดความฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียนเลิกดีกว่านอนดีกว่าเนี่ยทําป็นกิจวัตรประจําวันเพื่อให้อาหารใจให้อาหารทางทางจิตใจของเราอาหารกายเราให้เช้ากลางวันเย็นอาหารใจควรให้มันสักมื้อนึงเวลาที่เรามีเวลาก่อนรับก่อนนอนกระดานตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะออกจากที่นอนลุกขึ้นมานั่งวอรมอัพตัวเราซะหน่อยขึ้นมานั่งตั้งสติให้มันคงเสียก่อน ทำใจผงแผ้วทักนิดหนึ่งให้ใจเข้าา ใ, ใจออกให้มีสติสักหน่อยแล้วค่อยๆขับเคลื่อนร่างกายออกจากที่นอนไปธามากินจะมีเจ็ความเอกระชับกระเจงต์จะไม่เจ็ความกระปรี้กระเป๋าเอไม่มืดมึนมืด ม, ม, ม, ม, มนอนการเดินออกไปอย่างมีความหมายเพราะเราออกไปจากที่นอนเราติดใจเราแช่มชื่นเ บ, บิกบานเนี่ยมันบุ ค, คลิกเราก็จะดีไปด้วย บุคลิกเราก็ดีด้วยจิตใจมันระเหียอ่อนเพรียวออย่างนี้ออกไปมันก็บุคลิกเราก็แ yeah ย่สีสันวันณะก็ไม่ให้ว่าจิตเนี่ยสําคัญที่สุดนะโยม เ, เราต้องพยายามฝึกจิตของเราคําว่าฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยฝึกให้มันทนต่อคําแช่งด่าของคนเหล่านั้นทนเท่าไหร่อดอดทนอย่างนี้มันใช่อดง่าย อดทนถูกทุบถูกตีปึกปักทางร่างกายทีสองทียังอาภัยกันง่ายนิดเดียวแต่ทางใจนี่ยโหโดนเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ของจะเอ่ะจะอจะลดลงได้ง่ายๆถ้าเราไม่พยายามต้องพยายามอยมเพราะเพื่อความสุขของเราพเพื่อความความเป็นเลิศก้าหนันแล้วไม่ต้องทาไม่ได้เชีเลยต้องทําได้สิอืให้เรามีมาความมั่นใจอย่างนี้เราก็จะมีความ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 มันจะเพ่งสมาธินะเพ่งมาตรงไหนจะเห็นความจริงในถิ่นเหล่านั้นมันก็จะก่อให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาเขาจะเห็นความเป็นจริงในสัพพจริงทั้งหลายกิเลสทั้งหลายพุทธเจ้าไม่ได้ว่าให้เราละนะจะให้เรารู้เท่าทันขันห้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้เท่าทันโลกเป็นาจาัญญาสงการวิญญาณเนี่ยให้มไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันละไม่ได้หรอกรูปละรูปจะเอาจิตมาตั้งที่ไหนละ่ะ จิตก็อาศัยลูกลูปก็หยุดอาศัยกายกายอาศัยจิตถ้าจิตคนคงใดมีความเรีร้วฉลาดป่าดเปืองฝึกไวยดีร่างกายของเราก็จะมีความตุงแล้วจะยืดยาวการใช้งานได้ยาวนานจะ ด, ด้วยอืเนี่ยมองให้มั น, มมนธรรมะเราต้องใช้นะ่ะไม่ใชำปฏิบัติแล้วไปใส่พวกใส่หอมันไม่ใช่ธรรมะมีมากใช้มากความบุกร้องจะลดลงน้อยติมีมาก ขาดสติก็มีน้อยวัตถเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราถ้าสติเราชนรอบไปไหนมาไหนสติระวังตั้งวันทั้รวมตลอดเวลาเออจะมาจะนั่งนอนยืนเดินจะพูดกินท่วงทาต่างๆนี้มีสติไว้เสมอปัญญาจะเกิดตลอดเวลาในการกระทําในอิยาบทนั้นๆในภารกิจนั้นๆเราจะเห็นความละเอียดป่อนของภารกิจการงานแนั้นอย่างแจ่มแจ้งองแก่เราก็จะได้แก้ไขตัวเองได้ทันท่วงทีกับวันเวลาที่สูญเสียไปอืม พุทธเจ้าท่านให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทผ่อนพระโอสถพระองค์จะปิดพระโอส์ลงในวารสุดท้ายตอนจ้าบริิพานท่านก็บอกพญาอุยญธรรมมาทังคาราทังคารทั้งหลายไม่เที่ยงอปมาเดนะธัรมปาดีทะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนแประโยชน์ท่านถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดนี่เห็นไหมชีวิตเราต้องอยู่ด้วยความไม่ป ร, รประมาทถ้าละประมาทแล้วเนี่ยเราก็ยากที่จะ ทำตัวของเราเกล้านะพุทธเจ้าว่าเรารู้ตอนไหนให้รีบทําความดีต่อยอดไปเลยอืมขณะเราเกิดมาเราทํากรรมทําเวรเคยฆ่าตัดชีวิตมากมาจากกรรมต่างๆเราไม่ตันเรารู้ตอนไหนท่านบอกให้เลิกซะคนไม่เคยทําบาปโลกนี้ไม่มีในโลกเราทําไม่ถ้าเราไม่มีบาปเราไม่ได้มาเกิดออกบาปมันมีมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันชาตินี้แหละแต่เราม า, มาเกิดมาเป็นนู้แล้วอย่าทําบาปอีกอย่าไปต่อยอดบาปต่อยอดความดีไป ทั้งที่ความดียังเหลืออยู่เนี่ยต่อยอดไปเลยทําบาปแล้วบาปยังไม่เกิดนัแดแสดงความดียังเหลืออยู่เรารู้มีสติตอนนี้แล้วปอปู่เราถลําไปไหลไปนานแล้วนั้นเนี่ยยังไม่เคยทําเพิ่มเติมบา ร, รมีเข้าไปสู่เอ่าคังนี้เลยใน จ, จิตใจเราเลยเนี่ยเราไม่เคยเพิ่มเติมตมิจะาใช้ใช้ใช้ไปมันก็เริ่มจะหมดถดถอยบา ร, รมีก็ค่อยๆ อ, อ่อนล้าไปเมื่อมื่บารีมั น, ม น, มนถดถอยสัญญาณเตือนภัยก็จะมาถึงเราแล้วเอ่ ได้ได้เคยได้สม่ำเสมอตรงตรงทุดทุดดุดจะ ง, งักร่างกายเคยใช้สดวกทําวนดีก็เกิดเจ็บปวดป่วยไข้ทุกคนสภาพจิตใจเคยเยือกเย็นเป็นสุกกะเล่าร้อนอถูกกิเลสเผาผานตลอดเวลาเงี้ยหาความสุขที่ไหนล่ะสุขอย่างนี้ไม่สุขจริงหรอกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็แปรผ่านไปแล้วนั้นขอให้เรามีสติปัญญาแล้วเราจะรักษาความสุขความความสบาย ความยั่งยืนยาวนานของสิ่งที่ดีงามในตัวของเราได้ยาวได้ได้ยาวไปไม่จนอ่อจะถึงวาระทุดท้ายของชีวิตทุกคนหนีไม่พ้นในที่จุดทุกคนเดินไปจุเส้ทนทางเดียวกันแล้วถึงเวลานั้นเราจะได้นอนยิ้มได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเรายังไม่มีอะไรเป็น เป็นอนุตตรติไม่มีอะไรเป็นอุดมทิดอุดมการเลยยังมีนิมิต ท, ที่ดีโดยก่อนเวลาจะตายเนี่ยคนเราจะตายต้องมีกรรมานิมิตก่อนคิดถึงนู่นคิดถึงนี่เคยทําบุญให้ทานนักษาที่เดินภาวนาเคยสร้างกุติวิหารธราการในชุญยถาานเราสร้างแล้วทุบยถาทานเราทําแล้วเออแล้วก็อาทานแล้วก็ให้แล้วจากมนุษย์ไปนี่ไม่ได้ทำํำลงนโยมจะบอกให้ไปหาไปดววาาดโดยในพระใจบิดกเถอะ ไม่มีรอกเทวดาต้องไปทั้งสถานวิมานที่ไหนไม่มีดอกยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่ ย, ยิ่งไม่ต้องทําอาหารก็ไม่ต้องกินเพราะอะไรมันอิ่มอิ่มทิพย์เขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นทิพยะสมบัติหูไอ้ยินเสียงก็อิ่มไปถึงใจตาไี่เห็นโูกอิ่มมาถึงใจจมูกได้กินอิ่มมาถึงใจเพราะความหอมความอะไรเหล่านี้มันไม่เป็นที่น่าเบื่อเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์หอมอย่างไรหอมธรรมะลิหอมกลิ่นราตีเอามาดมใกล้ๆเดี๋ยวก็ ขึ้นใจอืมมันเหมือนแล้วก็เกิดความทะ่อิจฉาขึ้นใจแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆก็ดูว่าหอมหน่อยแต่หอมในสวรรค์น้นมันไม่มีวันเบือ่อนายมันหอมไม่วันอิ่มตลอดเวลาเลยมันจะไปกินอะไรอาหารที่เราทําไปนี่มันก็รอเราอยู่นี่แหละกลับมาเมื่ อ, อไหร่เราก็ได้รับอีกถ้าเราทําาไว้เคยได้ได้ได้กองทุนมูลนิธิไว้วัดหนึ่งวัดใด แล้วเราไปเป็นเทวดาไปต้องกิจ ก, ก, กลับกี่การในดอกผลล้วหลุนโลกนุษนะมากเท่าไหร่กลับมาดีมันดีตกเบิกครับได้ทั้งรูปดีเสียงดีปัญญาดีตกบนสมบัติเก่าก็ได้ต่อยอดไปสู่ความหลุดพ้นได้รวดเร็วภูมิธรรมกัณฑโสดาบานันพวกเราจะทําไม่ได้เอารู้เหตุรู้ผลทั้งอย่า ง, งเป็นโสดาบันแน่นอนและอย่าไปทําเหตุที่ชั่วดูเหตุนี้ในดำดำไปถูกความสุขความเริมเบื้องต้งนเบื้ต้นทางกาที่สุขกังวิต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 ก่อนถึงวันนี้ฝ่ายเป็นสติก็เป็นเบื่อไปถวันกไปจนเบื่อจะบอกให้รู้มันจะไปนรกจนเบื่อฝ่าจะได้ขับมายากไปแต่นี้ทาําความดีตั้งมันเทือนถวันนู่นเอเหมือนอ า, า, านาถวิริกะทําบุญทํากุศลยิ่งทําท่านก็ยิ่งได้ยิ่งทําท่านก็ยิ่งได้ทําจนกระทั่งร้อนถึงเทวดาร้อนถึงพระอินทร์ต้องรีบลาเลียงครับจินไม่อันาถวิริกะเพราะว่า ทำย่อมคุ้งคลองผู้่ผู้ทำไม่ตกปฏิท่ชั่วอืงทำดีแล้วจะตกปีิช่วงไม่มีหรอกโยมแล้วพี่จูดได้เลยถ้าเราทำดีไม่จริงอย่าไปโทษนะว่าบุญเราทำแล้วเกินแล้วบุญไม่ช่วยเราแต่ขณะเดียวกันที่เราทำบุญทำบุญทำบุญล้วตั้ง อ, อกตั้งใจทำหรือเปล่าเกิดเป็นที่เป็นทางหรือเปล่าวเวลาจะใช้เคินเอามาใช้หรือเปล่าแล้วเจอทุกข์เจออะไรขึ้นเลยเคยอธิษฐานมาใช้หรือเปล่า บุญนี่ต้องอธิษฐานออกมาใช้ในายูไม่ใช่ว่าเงินในธาคารเงินธนาคารเรายังต้องเอาสมุดไปเบิกมันจะได้ใช้บุญที่เราตั้งสงมว่าีนดวงจิตดว ง, งใจธนาคารภายในยนี่เราเป็นกําลังกําลังหลักของชีวิตทีเดียวแม้ว่าเราจะยากจนสมทับสินภายนอกแต่ภายในเรามียาลัยทับมากมายเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขหลุดพ้นไปได้ด้วยอํานาจบรารมีที่เราตั้งสมไว้ไม่ช้าไม่นานเราก็จะผ่านพ้ น, นปัญหาบุญทับต่างนี้ด้วยแรงอธิษฐาน ก่อนเข้าใจฐานแล้ว ก, ปว ก, ว ก, วก็ประเมินให้หมดสิ่งที่เราทําลงไปนี่ว่าเราทําอะไรมาบ้างาแล้วก็เราตั้งสัจจะดิฐานด้วยอํานาจฐานวันมีศีลวัน ม, มีทุกขเจา้ายแบบทำแล้วเหล่านี้อ้างอิงเอมาให้หมดเราตั้งสัจจะดิฐานลงไปขอให้ความเมตต์ตรงมาเกิดแก่ข้าพเจ้าหรือเราจะทําขยายจีการอะไรให้มันสูงส่งไปอีก เราต้องการรลีเข้ามาส่งเสริมเราก็อธิษฐานสิขอให้ความรุ่งเรืองเกิดแก่ข้าพเจ้าในจิตลเราก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วเราดูผลไม่ช้าไม่นานสาเร็จได้รวดเดีวเพราะมีพลังบุญเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนจริงๆนี้เราต้องมีความดีเพียงพอต้องมีคันติเพียงพอในการขับเคลื่อนชีวิตเราจึงจะไม่ก่อให้เกิดความอ่อนแอขึ้นมาได้ในการดํารงชีวิตเราต้องมีความขยันมั่นเพียรเพียงพอในการที่จะส่งเสริม เอ่ากิจการเราให้ก้าวหน้าแล้วต้องมีเมตตาทำเพียงพอที่เราจะดึง ด, ดูดอ่าทปัตต์ทั้งหลายไม่ให้กข้ามินหน้าหนีเราจะไปทําอะไรเขาก็มีเมตตาสงสานที่จะมาช่วยสนับสนุนเพราะว่าเรามีเมตตาธรรมอยู่ในใจของเราอย่างลึกซึ้งนี่แหละขอให้ญาติโยมได้พจน์จดจำล้ำลึกไว้เสมออันใดจะเป็นประโยชน์นําไปใช้แก้ไขเสียก่อนมนมอวิญญาณจะหมดลงในระยะ ไม่เกินร้อยปีแล้วทุกคนเนี่ยนีไม่พ้น แ, แล้วก็ถึงเวลานั้นจะได้นอนยิ้มคนบาปนอนยิ้มไม่ได้แล้วซักตาเหลือกตาปิ้นกว่าจะตายได้ก็อด โ, อดโวยโวยโขนนคลางคนมีบุญเขาจะนอนยิ่งเงียบเงียบพราะอะจิตเขาขณะจะตายเขาแยกไปอยู่กับกองบุญแล้วไปนึกไปนับสมบัติเขาอยู่แล้วกาลังนอนนับสมบัติได้ทําบุญที่นั่นให้ท่านที่นี่เรียกกรรมอนิมิตอ่า จิตมันแยกแล้วทางร่างกายถูกโลกไปยค่าจิบเวทเบียนใกล้จะแตกดับลงเนี่ยเขาก็ไม่อนาถรอ น, นอนใจนอนตายอย่างสงบนิ่งนั่นแหละไม่ต้องไปนั่งเทียนสองคนนี้ไปสู่สุคติแน่นอนจากนุษย์ไปูเึงโลกภูมโลกอยากกลับมาโลกนุษย์ต้องรักษาถิ่นท่ากบฏถิ่นนายโยมนะเออ้ายาทเราอยากยังห่วงยังห่วงล่า่วงล้านห่วงสมัยพุทธาสนาในโลกนุษย์เราอยากจะกลับมาทุกข์อีกก็ ถ้าคลาบบสที่5กบติดนรกก็ไม่ไปหรอกเพราะมันมีความผิดเราก็ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่แหละแค่ทีา่าได้กลับมาโ ล, โลกมนุษย์แน่ถ้าเพิ่มพงหายสี่เรียต่อไปอีกสองได้ไปเทวโลกขุ ม, มโลกแน่นอนเรา ว, วันนี้ก็ได้พูดธรรมะมาพอสมควรเพื่อจะเตือนจิตจตกิอ่าจิตใจของเราทั้งหลายที่กําลังพูดวายกับความผันผวนของโลกที่มันรวดเร็ว จนเราแทบจะตั้งตัวกันไม่ติดเนี่ยประหยาดสนกตกใจมีสติเข้าไว้ทําอะไรมันจะได้ไม่สนกตกใจแล้วมันจะได้มีความเจริญก้าวหน้าความผิดพลาดบกพร่องล ด, ดน้อยถอยลงขอทุกคนจเรนำคำนจริญทำคําสอนพุทธเจ้าโดยทูลถึงกันเอวันก็มีตระกาศเช่นนี้ uh huh. เออมีอะไรสงสัยเปล่าธรรมะนที่พูดวันนี้ธรรมะเพื่อให้นำเอาไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของเราให้ได้